โพธิปักคียะธรรนี้มีสามสั์ใช่ไหมดังนี้จาย์ครูจันร์แกก็จะหนตกตลึงอยู่ก็พระเจ้าจึงพูดขึ้นเป็นคํานําแก่ว่าโพธินี้สับหนึ่งปักคียะนี้สับหนึ่งธรรมสับหนึ่งนี้ดังนี้ใช่ไหมจาย์ครูจันแก่จึงว่าถูกหลักจึงได้แปลให้แก่ฟังว่าโพธิแปลว่า รู้หรือตัดสรุปักขีตแปลว่าทางของผู้ปฏิบัติเข้าไปตัดสรุรรมในธรรมะทั้งหลายอย่างนี้ถูกไหมจันครูจัน์แกรับรองว่าถูกหละท่านอาจารย์แปลนี้พวกผมก็ได้เรียนมาอย่างนี้แหละเ้าพระเจ้าจึงพูดตอบไปว่านี่แปลตามตับนะถ้าแปลเอาเนื้อความต้องว่าโพที่ปักยีรรมแปลว่า รมนันเป็นทางปฏิบัติเข้าไปกับสรุ ธ, ธรรมะทั้งหลายดังนี้ถูกไหมแกก็รับรองว่าถูกอีกแล้วจารย์รูจารย์แกจึงพูดว่าเรื่องคำภีพวกทีธธ่ปักยะทรรมนี้พวกผมขอยุติเพียงเทนี้จะขอถามคำภีส่วนที่ก็บคำภีมูลกัจจายะต่อไป คำว่าสุนทิสุนทินี้แปลว่าอะไรแต่ผมเป็นพระคริสถามท่านพระครูและมหาเป็นสามองค์องค์หนึ่งแปลว่าผู้หญิงมีท้องอีกองค์แปลว่าพบของสัตว์เกิดอีกองค์แปลว่าพบของเทวดาดังนี้ยังแปลไม่ถูกอยู่ขอท่านอาจารย์แปลพวกผมความอีกที่ได้ตอบคําถามแกว่าสุนทินี้อักษรเป็นจับเดียว ต้องแปลว่าต่อคําเดียวเท่านั้นจะต่อกับอะไรอีกก็แล้วแต่จะเอาไปต่อหรือจะต่อเข้ากับกุปส ล, ลมูลสามอาุปสร ล, ลมูลสามก็ได้เท่งนั้นจาย์ครูจันแกรับรองว่าถูกผู้ผมเรียนแปลกันก็แปลอย่างนี้แหละจารย์ครูจันรู้สึกว่าแกมีความฉลาดแหงอยู่เมื่อยกทาอะไรมาถาม หาเอาเรื่องว่าไปถามพระนั้นมาพระนี้มาแปลอย่างนั้นอย่างนี้ฉากตัดบทให้เราติดแต่ข้าพเจ้ารู้ดีอยู่เรื่องนี้จึงอยากรู้เรื่องสันติเรื่องนามตลอดธาตุวิพัตน์ปัจจัยให้แจ้งชัดอยู่แล้วในใจจึงหาทางถามแก่ที่แก่ถามมาแล้วนั้นย้อนถามอีกว่าพระอักจารย์อตมาอยากถาม ความที่อาตมาอยากรู้กับพระอกจารใช้อาตมาถามได้ไหมอาจารย์ครูจรัน จ, จึงว่าได้ธรรมดาการศึกษาทำกร น, นี้ก็ต้องมีผู้หนึ่งถามผู้หนึ่งแก้เปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละเก้าพระเจ้าจึงถามแก่ว่าอาตมาได้ยินพวกนักปรักถามกันเรื่องสนธิเรื่องนามนี้ได้ถามกันขึ้น ขึ้นต้นแต่สนทิไปหานามอันต้นของสนทิได้ แ, แกะ่อะไรขอให้อธิบายไปใ้อัตมาฟังเข้าใจด้วยดังนี้จาย์ครูจันทร์จานครูขอมต่างพากันพิจรารณาคําถามของข้าพเจ้าอยู่นานหน่อยหนึ่งจาย์ครูจันทร์เลยถามอาจารย์ครูขอมว่าขอมอะไรเว้ยเป็นต้นของสนทิท่านอาจารย์ถามอาธิบายให้ท่านอาจารย์ฟังดูที อาจารครูของพูดขึ้นว่าไม่รู้ละเว้ยเรื่องสนธิเรื่องมูลนี้ก็ เ, เพียงแต่เรียนจบเท่านั้นไม่ได้เล่ากับอาจารย์คักทีเลยตัวเจ้าเื่อเรียนจบแล้วยันได้เล่ากับอาจารย์อีกตั้งสามจบเจ้านั่นแหละจะรู้จักต้นสนธิต้นมูลได้เจ้าก็อธิบายให้ท่านอาจารย์ฟังดูทีอาจารครูจันทร์จึงตอบข้าพระเจ้าขึ้นว่าพวกผมไม่รู้แล้วขอรับ ต้นของส่วนทีของมูลพวกนี้พวกผมก็เรียนกันแต่ส่นทินี้ไปหามูลท่านอาจารย์ผู้สอนก็ไม่เห็นบอกว่าต้นของส่วนทีรรได้แก่ธรรมะอะไรธรรมะอนนั้นธรรมะอันนี้เป็นต้นของส่วนทีของมูลก็ไม่เห็นท่านบอกไว้เลยก็เปเจ้าจะนิพพานภูมิความรู้ของพวกอาจารย์ครูอาจารย์ถูกแล้วว่าพวกนี้เรียนกันจบแค่เพียงตำรากันเท่านั้น นึกขึ้นในใจว่าเราจะเล่นพวกนี้เอาจนกว่าจะอ่อนและยอมละก็พระเจ้าจึงพูดเป็นอยากรู้ต้นของส้นทิ่ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาก่อนว่าโอ้อาตมานึกในใจมาว่าจะได้รู้ต้นของส้นธิให้ดักใจกับพวกเขาออกพูดเสียงคนเล่าหรือว่าเป็นปราศก็จะไม่ได้รู้อย่างไรกันเนอถ้าอย่างนั้น อาตมาจะอธิบายตามงมตาตรมารู้มาว่าเป็นต้นของสนที่ให้ผู้พ่อออกตัดสินให้อาตมารู้ว่าเป็นต้นของสนที่ของมูลจริงๆอย่างนี้จะพอได้ไหมพูออกจารย์ค <lur> ร <us> ูจัน์แกพูดรับรองว่าก็พอจะตัดสินให้ได้ผู้ผมก็ได้เรียนสนทิมูลมากับอาจารย์จนจบแล้วนี้ ชนไม่มีความสงสัยเจเลยและเรื่องสนธิเรื่องมูลนี้ตามกําหนดดูเรื่องสนธิเรื่องมูลนี้พ่อปานมองขึ้นฟ้าแจ้งตว่างไม่มีความสงสัยเลยเภอออกจากครูจันทร์แก่พูดรับรองจบคําลงอัตามาจึงยกมือขึ้นว่ามือนี่แหละเป็นต้นของสนธิของนามและมูลทุกอย่างนั้นใช่ไหมจาย์ครูจันทร์จาย์ครูของ นั่งนิ่พิจารณากันอยู่พักหนึ่งจันครูจันท์จึงพูดขึ้นว่าพวกผมยังไม่เข้าใจกัพเจ้าจึงนึกครูขึ้นมาว่าพวกนี้รู้แต่ตำราที่เรียนกันอยู่เท่านั้นจึงพูดขึ้นว่าอันสนพินี้ก็ไม่ใช่อักษรทั้งหลายนิกะขะคะคะงะจะฉะฉะละไปเป็นต้นจนถึงละ หัสะสสบสองตัวนี้หรือสาสสากับอังแล้วจึงเอาอังนี้มาแบ่งตั้งลงเป็นสระแปดนี่อาอาเป็นต้นจนถึงโอเป็นที่สุดดังนี้ใช่ไหมจานครูจานแกตอบว่าใช่แล้วขอรับกาพเจ้าจึงพูดว่าเพียงเอาปากพูดชื่อของอักขระประดังอัตมาว่าไปแล้วนี้ มันก็ไม่เห็นมีตัวอักษรขึ้นมาให้มองเห็นด้วยตามิใชหรือจันครูจันตอบว่าใช่ไม่มีอักษรสักตัวเกิดขึ้นให้ตามองเห็นได้เพียงเอาปากพูดอักขระเฉยๆนี่นั่นแหละต่อเมื่อใดเอามือจับเหล็กจานเขียนลงในใบลา น, ก, นก็บหนังจับวต่างๆบ้างคือในนามปุริงสิวิพัฒน์มีผสมกันกันกบ ผูริสะตับต้องยกสิขึ้นเป็นผู้ริโสตั์นี่แปลได้หนึ่งร้อยพันอย่างดังนี้ใช่ไหมจยนครูจันแกรับรองว่าได้อย่างนั้นข้าพเจ้าพูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาถามพระออกเมื่อวานนี้นั้นพระออกนัามาตมาเดินหาที่พักมาถึงนาแห่ง น, นี้พระออกได้บอกอาตมาว่านี่นาของผม อาตมาได้ถามพระออกอีกว่าอันป่าไผ่อันใหญ่นนท์ก็เป็นนาของพระออกหรือพระออกบอกอาตมาว่าเป็นนาของผมสุดป่าไผ่นั่นแหละที่แหล่งพระออกจารย์ในบาลีว่าปุสิกาแปลว่าทุ่งอริกาหนังสือสามตัวเอาเข้าวปักลงต้นเดียวก็ไม่ได้เพราะมันน้อยนิดเดียวปุสิกานี้มันเพียงเป็นตัวหนังสือใช้แทนตัวสนทิตัวนามจริงเท่านั้น ตัวส่วนทิตตัวนามแท้ๆมันได้แก่ทุ่งนาใหญ่กองข้าออกโน้นเอาข้าวปลูกนับเป็นสิบถังปลูกหรือดำลงก็ยังจะไม่พอเสียตั้งมันจึงเป็นตัวส่วนทิตตัวมูลแท้ๆเหตุนั้นตัวหนังสืออุศิกาก็ดีก็ต้องเอามือจับด้ามปากกาหรือเหล็กจานเป็นต้นเขียนลงใต่กระดาษหรือใบลาน จึงจะเอาตามองเห็นตัวมาได้หรือนาที่เป็นตัวส่นที่ตัวนามแท้นั้นก็ดีก็ต้องเอามือจับด้ามขวานด้ามมีดด้างจอกถักถางตัดฟันตัดมาให้เปลี่ยนและราบรื่นจึงจะเป็นทุ่งเป็นนาในคําสอนของพระองค์ว่าปุติกาเป็นนามชื่อมันขึ้นมาได้อัตมาจึงว่าเราี่แหล เป็นต้นของส่นทิของงูลและนามทั้งหลายดังนี้ผู้พ่อออกเข้าใจกันแล้วหรือยังพ่อออกจากครูจันทร์ก็บอกว่ายังไม่เข้าใจกันอยู่อย่างเกา่านั่นแหละข้าพเจ้าจึงได้อธิบายว่าถ้าพ่ะออกยังไม่เข้าใจกันอีกแล้วก็คืออตาตมาเดินไปบินทบาศถึงบ้านพู้ อ, อ่อจากครูจันทร์อตาตมาเห็นเสาเรือนกององิู่ติดรูบ้านของพ่อออกนั้น อัตมาถาเพ่อออกว่าเสาเรือนใครนี้เพ่อออกว่าเสาของผมว่าจะปลูกเรือนใหม่ อ, มอยู่สบายอีกจากหลังดอกจึงไปหาเสามาไว้ที่แหลเพ่อออกเคหาแลว่าเรือนเคหาตัวหนังสือ น, นี้คนเดียวนั่งก็ไม่ได้เพราะมันน้อยนิดเดียวใช้แทนชื่อตัวนามจริงตัวนามจริงแท้ได้แก่ตัวเรือนอันเพ่อออกจะยกขึ้นนี่นแหละ คนดูได้ตั้งสิบคนยี่สิบคนเป็นต้นไปนั่นแหละถึงตัวหนังสือใช้แผนชื่อของนามจริงก็ต้องเอามือจับด้ามปากกาเขียนลงใส่กระดาษจึงจะมองเห็นตัวอา่านได้ว่าเคหากันได้หรือเสาเรือนก็ต้องเอามือจับด้านขวานปากไม้จึงเป็นเสาเรือนขึ้นมาได้อัตมาจึงว่ามือเป็นต้นของสุนทิของมูลไน้แน่แท้อีกประการหนึ่ง พระองค์เป็นผู้รู้สวนทิรู้นามแจ่มแจ้งแล้วจึงให้ในัยะแกะ่พระมหาสัมกัจายะไปแต่งให้เป็นคำพีส่วนทิคคำภีมูลกัจายะขึ้นมาให้พวกเราได้เรียนกันอยู่นี้ท่านรู้ส่วนทิรู้มูลกันหมดแล้วอาตมาไม่ได้ยินว่าท่านเหล่านั้นยังไปทำเรือนยุคเรือนอยู่สบายขึ้นที่ไหนมีเงเินก็ อ, ออกจานว่าเรียนส่วนทิ่เรียนมูลกันจบแล้ว ยังมียกเรือนโถงอยู่สบายอย่างนี้อัตมาไม่เห็นมีอยู่ในหนังสือเล่มใดเลยอัตมาจึงว่าพู้ออกนี้เพิ่งเรียนสนุนทิเรียนมูลกันอยู่ยังไม่จบเลยถึงเรียนจบก็เรียนแต่บรราสุนทิมูลกันเท่านั้นจารย์ครูจันกระดูกข้าพเจ้าว่าดูถูกกันหรือสุนทิมูลนี้ข้าพเจ้าเรียนจบแล้วจึงได้เล่ากับอาจารย์อีกสามจบโน่น ลงท้ายแกก็ยังตอบข้าพเจ้าว่าไม่เข้าใจอีกหลักนึกถึงตอนตัวข้าพเจ้าได้ไปบินทบาทเห็นเมียาจานครูจันที่ท้องใหญ่อ่างฟ้างอีกหลักข้าพเจ้าจึงว่าพอออกจานพวกได้เรียนส่วนที่เรียนมูลจบแล้วที่สับว่ากุมาริกโกกุมาริกาอันแปลว่าเด็กชายเด็กหญิงแบบนี้ใช่ไหม แกรับรองว่าใช่อยดังนี้กัปเจ้าจึงพูดต่อไปว่าเมื่อพระออกจารว่าเรียนชนทิเรียนมูลจบแล้วทั้งว่าได้เรียนได้เล่ากพระอาจารย์มาทั้งสามครั้งจนว่าไม่มีความสงสัยในชนทิมูลเลยดังพระออกพูดกับอาตมาไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ทำไมจึงให้เมียพระออกจาร์มีท้องใหญ่เล่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านรู้ชนทิรู้มูลจบแล้ว ท่านยังทำท้องของพระนางจิมพามหาสีของท่านให้มีท้องใหญ่อยู่เหมือนกับพวกนี้ออหรือประการใดพวออกจารย์จารย์ครูจันแก่ตอบว่าไม่มีท้องดังพวกผมเรียงจบกันดอกขอรับอาจารย์ครูจนันแค่จึงพูดกับหมู่ของเขาท่านหลายขึ้นว่าพวกเรายอมท่านอาจารย์เซยเธอ ถ้าไม่ยอมมันจะเข้าเนื้อพวกเราเรื่อยไปตามที่พวกเราฟังมานี้ท่านอาจารย์ท่านรู้สทธิรู้มูลจริงๆท่านไม่เพียงรู้แต่ชื่อของมันคือพวกเราฟังท่านอธิบายมานี้ตัวสนธิตัวมูลท่านว่าได้แก่พวกเรานี้หากท่านไล่ให้พวกเราเข้าใส่ศีลถามแล้วพวกเราจะเอาอะไรมาแก้ท่านเพราะพวกเราเพียงศินห้าก็รักษากันไม่ได้อยู่แล้ว เราจะไปไล่ท่านผู้ถือศีน2องร้ออะไรท่านก็ปฏิบัติท่านปฏิบัติธรรมของท่านได้ดีอยู่หมดจะไละให้ท่านจะไม่มีทางแล้วมิแต่พวกเราทั้งหลายนั่นแหละจะจนท่านเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ยอมท่านเสียพวกโยมหมู่ทั้งหลายของแกจึงพูดขึ้นว่าจางครูจันทร์ทําไมจะยอมท่านง่ายไปทําไม พวกผมกําลังฟังกันอยู่ดีถึงแพ้ท่านพวกเราก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรก็มีแต่ได้ความรู้ธรรมะกับท่านเป็นการดีเสียอีกข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าเรื่องที่พูดกันทั้งหลายมานี้ก็มิใช่อาตมาพูดเอาแพ้เอาชนะอะไรพูดแต่เพียงอาตมาอยากรู้ต้นของสุทธิของมูลเท่านั้นต้นของสุทิของมูลไม่เกี่ยมือของพวกเรา ใจเป็นเง่าของมูลของสนทิมันจะจริงไหมเท่านี้แหละหากู้เพาะออกยอมหลับอาตมาผู้อยากรู้ต้นของสนทิของมูลก็ไม่มีจะรู้ได้เท่านั้นแหละจากนั้นข้าพเจ้าจึงอธิบายต่อไปอีกว่าอันพระพุทธเจ้าตลอดพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายผู้ท่านรู้สุนทิรู้มูลจบแล้วท่านมาไล่มะอือสดดาแปลว่าควายหรือเรียกผู้ควายหยุดว่ายอ เมื่ออย่างเขาออกว่าที่เรียนจบแล้วหรือหรือจะเรียกจุกกรที่แปลว่าหมูเรียกหมูว่าตุยตุยลยว่าปุบปุและจะมาเรียกกุกุโตที่แปลว่าไก่เรียกว่ากุกุไลว่าโซกันอยู่อย่างนี้หรือท่านมีการสร้างกุ ม, มาโรกุ ม, มารีแปลว่าเด็กหญิงเด็กชายให้เกิดกันอยู่อาคารังแปลว่าเรือนชานกันอยู่อย่างนี้ ก็มีใช่เริ่มเรียนสุนทิเรียนมูลกันหรือหรือเรียนจับเรียนแปลกันดอกหรือเช่นพวกเราพวกเป็นปุถุชนกันนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้แปลงสุนทิแปลน้ำออกให้พ้นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์เจ้าผู้ต้อแปลออกทุกข์แปลให้พ้นทุกข์ให้นิพพานเลยกันอย่างไรได้อย่างนี้จันครูจันจึงตอบขึ้นว่าทุกข์แล้วขอรับ พวกผมฟังอาจารย์อธิบายมาทั้งหลายนี้จึงได้รู้ว่าพวกผมเพิ่งเริ่มเรียนส่วนที่เรียนมูลและนำเกันจริงๆเวลานี้แต่ก่อนพวกผมเข้าใจว่าได้เรียนแบบเรียนตำราทั้งหลายมานั้นว่าได้เรียนตัวธรมตัวส่วนที่ตัวมูลกันจริงจึงพาดกันดีใจไม่มีที่เปรียบเลยพอมาได้ฟังพระอาจารย์ตอนพวกผมอยู่เดียวนี้จึงได้รู้ว่าตัวรู้แต่ตำรา ทิฏแท้จริงตัวสุนทิตัวมูลได้แก่ตัวของเราเองพวกกระผมขอยอมพระอาจารย์แล้วแกจึงหันหน้ามาพูดกับหมูทั้งหลายนั้นว่าว่าอย่างไรหมูทั้งหลายผมขอยอมพระอาจารย์แล้วเพราะพวกเราถามท่านมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้าเนื้อพวกเรามากเท่านั้นดีที่ท่านยังไม่ยอมอธิบายวันคือหันคือใส่พวกเราถึงสิงผู้ทำเท่านั้น ท่านอาจารย์ถามศีลธรรมของพวกเราแล้วพวกเรายังไม่มีการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายหรือฆ่ากินด้วยตนเองกินเนื้อมันก็ผิดศีลห้าพระอาจารย์ท่านกนําลังอธิบายเริ่มเข้าไปหาอยู่นั้นรู้กันไหมผมยอมแล้วละ่ะเพราะพวกเราไม่มีศีลห้าสักตัวเดียวสําหรับตัวพระอาจารย์ท่านมีศีล227ท่านเป็นผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติได้ทุกตัวธรรมะ ท่านปฏิบัติได้บริบูรณ์ทุกอย่างพวกเราถามท่านจใจท่านติดตัวพวกเราท่านจะติดจะคาพวกเราได้อย่างไรมิแต่พวกเรานี่แหละจะติดท่านหากท่านถามพวกเราคืนมานี้ผมไม่นึกถายท่านเต็มทีจากนั้นจาย์ครูจันก็นั่งคุกเขา่าประนมมือพวกญายติดวงหมู่ของแก่ทั้งหลายประมาณสามร้อยคนก็ได้พาการนั่งคุกเขา่าประนมมือขึ้นพร้อมกัน การครูจัน์แก่พามูกรายอมดีอย่างนั้นสามหนและก็ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ขอเป็นผู้รับใช้ขอรับเป็นผู้อุปถัมภ์ไปตลอดชีวิตกันทั้งหมดเลยลก็พรเจ้าก็ยินดีให้รับพระไตระณคมให้ละการนับถืออีกันทั้งหมดและก็นำปฏิบัติพานั่งสมาธิภาวนากันและได้พัดสอนเขาอยู่นั้นเกือบยี่สิบวันได้ท่านสิเอก ปั้นปเรสะโกกับท่านชวนมาบวชปฏิบัติเป็นสิ์อยู่ด้วยท่านจิตเอกปั้นทั้งสำนักสอนเขาแทนตัวข้าพเจ้าอยู่เวลานี้ต่อไปนี้ไปผู้ผู้ออกจา์ครูจัน์จึงนำพวกญาติโยนทั้งหลายฟังธรรมเทศนาละอรัสนาธรรมให้ข้าพเจ้าแสดงธรรมให้ฟังหนึ่งกันพอสมควรว่าแล้วก็ตั้งนโมสามจบ จะยกอุเทศตามพระบุก ค, คลบัญญัติพิธรรมคำภีที่สขึ้นแสดงว่าชะบัญญัติโยเป็นต้นไปจนถึงจิตตาวตาปุคลานังปุคละบัญญัติจบภุเทศขึ้นอารัมพบทแล้วจึงยกหลักขึ้นอนธิบายขึ้นเป็นต้นว่าออยตนณะภายในหมหาภูตรูป 4, 58, สีท่าสิสจธรรมสีอินสีห้าภายในภายนอก และอินทร2ยบุคคลสิบจำพวกหากมีแล้วในตัวพวกเราทุกคนทั้งหลายทั้งหญิงชายพระองค์วางธรรทั้งหลายไว้ก็ เ, เพียงบอกธรรทั้งหลายอันมีอยู่แล้วในตัวของพวกเราให้พวกเรารู้ตามท่านให้พวกเราคนทุกเท่านั้นพระองค์ท่านจึงบัญญัติเป็นบุคคลสิบจำพวกขึ้นนิสามันบุคคลคือบุคคลสามันเช่นหมู่พวกเราที่พากันนั่ง ฝังธรรมเทศนากันอยู่ทั้งหลายนี้เป็นต้นอาสามันบุคคลคือบุคคลชั่วช้าเป็นคนลักขโมยหรือบุคคลกินเหล้าสูปกปิ่นกินกัญชาเป็นต้นที่สามันบุคคลคือบุคคลที่เป็นพระระหันพูกท่านสำเด็จจิจเห็นแจ้งในพระอเล็กซีมียานละสามคือทุกขสัจจะที่หนึ่งนี้ก็มียานสามทีส่สัจญายานความทุกข์ได้แก่ ชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้นจนถึงมรณะทุกข์คือความตายเป็นที่สุดเป็นของมีอยู่ในตัวเราทีนี้ญาณความเห็นแจ้งที่หนึ่งญาณที่สองได้ตั้งใจเอาใจพิจารณากาหนดทุกข์อันนี้อยู่ในตัวใจได้รู้แจ้งทุกข์ขึ้นว่าเป็นทุกข์จริงขึ้นในญาณที่สามใจก็รู้ว่าคนรู้ทุกข์จริงขึ้นวางความยึดถือร่างกาย ก็เป็นตัวตนได้ขาดหนึ่งเป็นยานที่สามดังนี้สมุทยก็มียานสามนิโรธก็มียานสามมรรคก็มียานหนึ่งตกลงรู้ว่านในอริยสัจสี่มียานละสามรวมเป็นยาน1ิบสองดังพระองค์ไดแสดงธรรมจักโปรดพวกบรรดาวะขีนว่าเอวันติปริวัตตังและวาราสาการังดังนี้ซึ่งมีใจความว่าพระองค์ รู้พระเอภัสสะแธรรม9มียานเป็นปริวัต 3, ิตละสามเหตการณบสองพระองค์จึงได้ออกอุทานว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เห็นได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในพระองค์ดังนี้เหตุนั้นพระองค์จึงเอาพระอริยสัจสอันพระองค์ได้รู้ได้เห็นในตัวท่านตั้งลงเป็นคำพีทั้งหลายมีคำภีร์โพธิภักขยะธรรม37ประการขึ้นมาเป็นคำอันเป็นทางให้บุคคลผู้รู้ทั้งหลาย ้ปฏิบัติเอาตัว้นทุกข์ส่วนคำพีสุนทิพระองค์จึงเอาปฏิสนทิบุคคลเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นตามเหตุเดิมของบุคคลเกิดขึ้นมาด้วยมูลสามคือความหลงพระองค์ให้ชื่อโมหมูลความโลภชื่อว่าโลภมูลความโกรธให้ชื่อว่าโทสะมูลเหตุนี้ติดใจมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหตุสามนี้เป็นฝ่ายบาท อกุศลน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดได้ด้วยน้ำใจของบุคคลมีเหตุสามนี้ฝังพุ่มหอ่อดวงใจของบุคคลอยู่ให้หลงยินดีไปทำบาปทำความชั่วตามเหตุสามประการนี้ให้เป็นโทษเป็นบาปกรรมขึ้นมาดังพวกเราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วยังเป็นเหตุที่เป็นกายมูลทำให้กุศลเกิดอีกสามเหมือนกันคืออมโมหะเหตุได้แก่ความหมลงอโลภะ ความไม่โลภอโทศกความไม่โกรธบุคคลทําบุญน้อยใหญ่ทั้งหลายได้นั้นอาศัยเหตุสามมีความไม่หลงเป็นต้นนี้เข้าสิงใจให้ทําบุญน้อยใหญ่ขึ้นมาได้จนกว่าพ้นทุกข์ได้เหตุนั้นพระองค์จึงได้ตั้งคำภีส่วนที่คำภีมูลสองชื่อนี้ไว้เพื่อให้บุคคลผู้มีบุญวาสนาไม่ได้เรียนกันให้รู้เอาตนให้พ้นทุก์ดังพระองค์ได้ตั้งคมภีรทำ ขึ้นเป็นปฐมบัญญัติแรกดังอัตมาได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าฉบัญญัติโยนี้ฉแปลว่าหกบัญญัติโยแปลว่าพระองค์ได้บัญญัติธรรมขึ้นได้ในตัวของบุคคลทั้งหลายเป็นทีแรกหกอย่างคือขันธทัตบัญญัติพระองค์บัญญัติคนเราออกเป็นขันท่ามีรูปขันธ์เป็นที่หนึ่งไปจนถึงวิญญาณขันธ์เป็นที่ห้าดังนี้